สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่แปดสิบเจ็ดแล้วนะครับวิกฤตของยอนผู้ให้บัพติศมาตอนที่สองครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมจบอยู่ตรงที่ว่าเราเห็นนะครับว่ายอนนั้นอยู่ในความสับสนยอนผู้ให้บัพติศมานั้นอยู่ในความวิกฤตเพราะเนื่องจากว่าท่านอาจจะทุกข์ใจและผิดหวังอาจจะ ต้องการให้พระเยซูตอกย้ําความมั่นใจนะครับและอาจจะไม่เข้าใจเป้าหมายที่พระเยซูเสด็จมาความไม่แน่ใจต่างๆเหล่านี้นะครับทําให้เกิดความเครียดความว้าวุ่นใจรวมกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านตลอดชีวิตของท่านที่ผ่านมาทําให้ท่านลึกๆมีความเชื่อครับว่าพระเยซูง่าจะเป็นพระเมสสิยาหรือคงจะเป็นพระเมสสิยาอย่างแน่นอน แต่เนื่องจากว่าท่านติดคุกอยู่ทําให้เกิดความสับสนครับพี่น้องครับเราจรึงเรียกตอนนี้ว่าวิกฤตของยอนผู้ให้บัพติศมาแต่พี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเจ้าของพระเจ้านะครับยังอยู่ในข้อที่ยี่สิบสองและยี่สิบสามของลูกาบทที่เจ็ดนะครับยี่สบสองยี่บสามของลูกาบทที่เจ็ดครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าแล้วลงตัดตอบสิทธ์ทั้งสองคนนั้นว่าจงไปแจ้งแก่ยอน ตามซึ่งท่านได้เห็นและได้ยินคือว่าคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายแล้วเป็นขึ้นมาและเก่าประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาบุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรคผู้นั้นก็เป็นสุขพ่าครับสองข้อนี้นะครับเป็นคาตอบสุดท้ายนะครับเป็นคาตอบสุดท้ายที่ฟันธงจากพระเยซูครับ พระเยซูตอบว่าอย่างไรครับบอกว่าไปบอกกับยอนนะครับว่าหนึ่งคนตาบอดหายโรคสองคนง่อยเดินได้สามคนโรคเรื้อนหายสะอาด 4. ี่คนหูหนวกได้ยินห้าคนตายแล้วเป็นขึ้นมานี่คือการอัศจรรย์หประเภทที่พระเยซูปฏิบัติและทำอย่างสม่ำเสมอในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าข่าวประเสริฐนั้นครับเป็นอย่างที่หกครับ ที่พระเยซูได้กระทำข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาอันนี้คือสุดยอดของพระชนะของพระเจ้าในเจ้าวันนี้เพราะเหตุที่ยอนเองนั้นท่านก็ประกาศข่าวประเสริฐแผ่นดินของพระเจ้านะครับคือท่านได้เป็นผู้ที่เตรียมมันคาขององค์พระบิดาเจ้าให้ตรงท่านเป็นผู้ที่ปรับนะครับทางเดินที่อาจจะเป็นุบเขาภูเขาให้ราบไปเหมือนกับ ทำพยากรณ์ที่กล่าวไว้ในพระธรรมอิสยาห์นะครับและในพระคัมภีร์อีกหลายอิเล่มพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อยอนนั้นได้รับคําตอบนะครับโดยผ่านทางลูกศิษย์ของตัวเองที่พระเยซูฝากไปบอกพระเยซูทราบครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยยอนจะได้รับความปลื้ปลุกปลมใจและได้รับความแน่ใจมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทามาตลอดชีวิตนั้นถูกต้องแล้วและพระเยซูเองนั่นแหละพระองค์เป็น พระเมสสิยาห์ครับหรือพระคริสพีพ่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ตอบตรงๆนะครับว่าโปรงเป็นพระเมสสิยาห์หรือเป็นคนที่จะมาคนนั้นหรือเปล่านะครับพระเยซูไม่ได้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่พระเยซูตรัดนะครับกับตรัดว่าจงไปแจ้งแกยอนตามที่ท่านเห็นและได้อยินนะครับพระเยซูทรงสรุปงานทั้งหมดของโปรงให้แกยอนจากตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูกําลังบอก โดยผ่านงานของตัวเองนะครับพิสูจน์ด้วยผลงานของตัวเองว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเมสสิยาอย่างแน่นอนพ ร, ระองค์จะทําการทั้งปวงซึ่งผู้เผยพระชนะอิสยาได้พยากรณ์ไว้ครับอยู่ในอิสยาบทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบแปดถึงสิบเก้าและพรงยิ่งทํามากขึ้นกว่านั้นอีกอิสยาบทที่หกสิบเอ็ดครับก็ได้บอกเช่นเดียวกันในข้อที่หนึ่งบอกว่าพระเยซู ทรงรักษาคนตาบอดคนง่อยและคนหูหนวกโรงจะประกาศเข่าดียิ่งกว่านั้นพระเยซูยังทรงรักษาคนโรคเรือเ้อนเรียกคนตายให้เป็นขึ้นมานี่ไม่ใช่งานของพระเมสสิยาห์ดอกเลยครับพี่น้องครับพระเยซูสังเกตพระเยซูบอกในประโยชน์สุดท้ายนะครับซึ่งเราสังเกตได้ก็คือว่าบุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรคผู้นั้นก็เป็นสุขอาจจะพูดง่ายๆนะครับ ว่าพระเยซูกําลังสื่อสารไปที่ยอนบอกว่ายอนอย่าข้องใจเลยอย่าสงสัยเลยว่าเราไม่ได้กระทําสิ่งที่ท่านคาดหมายอยู่คาดหวังอยู่นะครับพระเยซูกําลังบอกยอนว่าขอให้ยอนนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าเป็นบุคคลที่มีความสุขไม่ต้องค้องใจไม่ต้องสงสัยและสิ่งที่เบียชูตอบไปนั้นพิสูจน์ ด, ด้วยตัวเองครับเป็นผลงานของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงเป็นแมทสิยาพระเยซูไม่ได้ไม่ได้โกรธหรือเคืองย่อนนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับแม้แต่อาคาัครทูตที่พระองค์ทรงเลือกก็ยังไม่เข้าใจเลยครับว่าพระเยซูเป็นใครเห็นงานของพระองค์พวกเขาก็ยังไม่แน่ใจจนกระทั่งเมื่อเห็นพระองค์เป็นเครื่องหความตายนะครับพวกเขาถึงเข้าใจได้ พี่น้องครับคำตอบของพระเยซูทำให้ยอนพอใจได้อย่างแน่นอนและเวลานี้เขาสามารถมั่นใจได้แล้วว่าตัวเองนั้นเป็นผู้จัดเตรียมหนทางให้กับบุคคลที่ปฏิบัติภารกิจอันอัศจรรย์ในกลเลรีนั่นคือพระเมสสิยาครับยอนสุขใจมากครับที่พระเยซูฝากคำตอบมาถึงตนสิทธิของยอนก็คงจะชื่นใจมากครับที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่กลลรีแล้ว และพวกเราทุกคนก็คงจะเดาได้ว่าเมื่อทั้งสองคนนะครับนําข่าวไปตอบให้กับยอนทราบ พ, พี่น้องครับยอนคงจะสุขใจมากเหมือนกับที่ผมบอกไปแล้วนะครับทุกคนที่อ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่วันที่มัทธิวได้ลูกาบันทึกจวบจนัึงทุกวันนี้นะครับพวกเราก็มีความสุขใจและมีความมั่นใจครับว่าพระเยซูเป็นผู้ที่พวกเราคอยอยู่คือพระเมสสิยา พคริกตผู้มาเตรียมและให้ชีวิตนิรัน์ให้กับเราทั้งหลายเป็นแผ่นดินของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้ให้เราทั้งหลายที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยงานของเราครับชงนำพวกเราทั้งหลายทุกคนเพื่อที่ให้พวกเราทุกคนได้เห็นว่าความสำคัญของผลงานผลงานจะพิสูจน์ชีวิตผลงานนั้น พิสูจน์การทรงเรียกพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงให้เราทั้งหลายได้ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะทําให้หน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จครับผลงานมากผลงานน้อยไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เป็นผลงานที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าให้เราให้ออกมาทําเราจะได้รับการทรงนําและเราจะเป็นสุข เหมือนกับที่ยอนนั้นมีความสุขใจพ้นภาวะวกิกฤตของตนเองและได้มั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามั่นใจทำอย่างไรให้เรามั่นใจว่าเราได้ทำงานที่พระเจ้าได้ทรงเรียกทรงเลือ ก, อกด้วยความสัตย์ซื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามธรามถัยกองพงอามน